คุณคาดหวังให้ผู้คนทำแต่เรื่องมีสติไม่ได้แต่คาดหวังให้ตัวเองเจริญสติได้และนั่นก็เป็นหนทางเดียวที่จะดับทุกข์เฉพาะตนความคาดหวังเล่นงานเราทุกคนมาตลอดชีวิตไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวทุกคนมีเรื่องบางเรื่องที่คาดหวังอย่างสูญเปล่าและก็ไม่คิดถอนด้วย นึกว่าวันหนึ่งความคาดหวังจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้การพยายามปลอบตัวเองพยายามสอนตัวเองบางครั้งก็ได้ผลแต่บางครั้งไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่าเราเอาความเศร้าหมองตรงนั้นมาใช้เจริญสติจะได้ผลทุกครั้งได้ผลเป็นความเจริญขึ้นของสติอ่านให้ออกว่าอาการทยานอยากนั้น มีความแรงเกินแรงเกินหรือเปล่าพอดูเป็นพออ่านออกคุนเคยดีกับสภาพทางใจที่พุ่งพล่านผิดปกติใจที่ผิดปกติจะกลับเป็นปกติรู้สึกทรงตัวไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์หนักตัวภาวะของความเศร้าหมองเล่นงานเราได้ในแบบที่จะทำให้จิตของเราโยกไปเยกมาตั้งอยู่นิ่งไม่ได้เล่นงานเราได้แค่นั้นเอง เมื่อเราสามารถเห็นอาการเศร้ามองตรงนั้นได้แค่นิดเดียวขอแค่นิดเดียวที่เราเห็นในอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นในเราเห็นความคาดหวังว่ามีอาการยืดเยื้อมีอาการปรุงแต่งจิตไปให้เกิดอาการเศร้าหมองและเห็นว่าอาการปรุงแต่งแบบนั้นเป็นแค่ภาวะอะไรที่เกิดขึ้นแป๊บหนึ่งหายใจครั้งนี้เศร้าหมองหายใจอีกครั้งหนึ่ง ความเศร้าหมองแปรปรวนไปเราจะเกิดปิติขึ้นมาเกิดความดีใจว่าเราได้เห็นความจริงไม่ใช่ไปจดจ่อรออยู่กับอะไรที่ไม่มีทางเป็นจริงบางคนเจริญสติมาไม่เท่าไหร่แต่ไปดูถูกจุดเจริญสติเลาเห็นว่าความคาดหวังเป็นอารมณ์สูญเปล่าที่ทำให้มีความทุกข์มากกว่าบุคคลที่มากระทาเรา หรือมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันพอเกิดสติเห็นความจริงนี้ขึ้นมาหลุดเลยรู้สึกว่าทุกหายไปครึ่งหนึ่งแค่นี้มีความสุขแล้วชีวิตดีขึ้นทันใดแล้วความรู้สึกเหมือนหายโง่ตอนที่เรารู้สึกว่าความคาดหวังเป็นของศูนย์เปล่าถ้าไม่คาดหวังแล้วจะให้ทาอะไรละ่ะ ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็คาดหวังก็ใช่แต่ว่าคาดหวังในสิ่งที่ควรคาดหวังคุณคาดหวังให้ผู้คนทาเต่เรื่องมีสติไม่ได้แต่คาดหวังให้ตัวเองจเจริญสติได้และนั่นก็เป็นหนทางเดียวที่จะดับทุกข์เฉพาะตน